กลงกับตัวเองไว้แต่เนินๆฉันจะไม่ยอมคุกเขา่าให้ความเศร้าเด็ดขาดตอนยังเป็นเด็กน้อยแค่พ่อแม่ห่างออกไปหน่อยหรือกลับมาหามิตรงเวลาก็นอนมองเพดานค้างด้วยอารมณ์เศร้าส้อยน้อยใจแล้วโตขึ้นคนเราเจอเรื่องหน่าเศร้ากันนั้นมากแต่โดยรวมก็คือ ผิดหวังไม่ได้อย่างใจเกิดความเสียใจจิตตกหดหูทุกคนเจอเรื่องแกล้งให้เศร้าเหมือนๆกันแต่มีวิธีตอบโต้กับความเศร้าต่างกันบางคนหันไปหาสิ่งอื่นให้เกิดอารมณ์อื่นทันทีบางคนยอมให้ตัวเองเศร้าค้างบางคนค้างจนเสพติดอารมณ์เศร้าบางคนสงสารตัวเองแรงถึงขั้น รู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในโลกอีกใบหนึ่งที่มีตนเองโดดเดี่ยวไร้ใครดูแลเป็นโลกที่มีแต่สีเทาล้อมสุดขอบฟ้าเนื้อตัวและจิตใจถูกห่มทับด้วยหมอกหนาทึบทึบจนชาเหมือนไม่รู้สึกรู้สาอะไรได้เมื่อความเศร้าโศกผ่านไปเชื่องช้าหรือเหมือนจะผ่านไปไม่ได้เลยในที่สุดจิตจะจำนนและทรงจำว่า ฉันเป็นคนอ่อนแอยอมให้ตัวเองเศร้าง่ายขึ้นเรื่อยๆแม้ไม่มีเหตุผลให้เศร้าก็แอบจมอยู่กับอารมณ์เศร้าไปอย่างนั้นนานๆแต่หากตกลงกับตัวเองไว้แต่เนิ่นๆว่าจะไม่เอาความเศร้าหาตัวเลือกทางอารมณ์ที่หลากหลายไว้ล่วงหน้ากับทั้งสร้างความเคยชินที่จะผ่านความเศร้าแต่ละครั้งไปอย่างรวดเร็ว แค่แตัดสินใจนิดเดียวยง่ายว่าจะไม่เอาความเศร้าบ่อยเข้าในที่สุดจิตจะเกิดความเข้มแข็งและบอกตัวเองว่าฉันจะไม่มีทางอ่อนแอเด็ดขาดโลกทางความคิดภายในชนิดที่ไม่ยอมคุกเข่าให้ความเศร้านั้นคือโลกที่อาจจะไม่สดใสเหมือนสวรรค์แต่อย่างน้อยที่สุดก็สว่างสวยกว่าโลกภายนอกที่บีบคั้นให้ซึมเศร้าเสมอ เริ่มขึ้นมาทุกคนอ่อนแอเศร้าง่ายเหมือนกันหมดคนที่เข้มแข็งก็แค่เป็นคนที่เศร้ายากขึ้นเรื่อยๆ